พระองค์ก็เล่นในพระราชอุทยานในสมัยเย็นทรงบรรทมที่โคนต้นทองหลางนั้นพระองค์ก็เห็นต้นไม้นั้นก็คิดว่าในการก่อนต้นไม้นี้ก็สล้างด้วยใบใบดอกนาะหน้าดูยิ่งนักเหมือนสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีต่อแต่นั้นก็เป็นต้นไม้มีดอกบานสะพรั่งเช่นกับกหน่อกแก้วประพานที่วางไว้ในระหว่างกิ่งซึ่งมีสีเขียวหน้าดูดุจทองคามีสิริ ภายใต้ภูมิภาคของต้นทองหลังเหล่านั้นก็เกลื่อนไปด้วยทายเช่นกับพวงมุกดาดาราดาดไปด้วยดอกซึ่งหลุดจากขั้วเป็นดุจปูราก ด, ด้วยผ้ากำพลแดงวันนี้ต้นไม้ชื่อนั้นยืนต้นอยู่เหลือแต่กิ่งเหมือนต้นไม้แห้งโอ้ขนาดต้นไม้ยังถูกชรากระทบแล้วนะนะคนมีปัญญายังไงมันก็ น, น้อมไปหาอริยสัต์เนี่ยนะ เธอก็ลองสาธยายปฏิจจสมุปบาทไว้ให้มันชำนาญให้มันคล่องเห็นอะไรก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทหมด่ะชารามรณะเนี่ยเริ่มเห็นชาราใช่ไหต้นไม้นี่ก็ถูกชารากระทบแล้วย่อมร่วงโรยไปดังนี้แล้วก็ได้อนิจจสัญญาว่าแม้อุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากตัณหาและทิฐิสร้างขึ้นถึงอย่างนั้นก็ยังถูกความแก่กระทบได้ จะป่วยกล่าวไปยัยถึงสังขารที่มีกรรมและตัณหาที่ถิสร้างขึ้นเราวันนก็คือกรรมวิบากและกรรมาชร่ว เ, าเราพระองค์ก็เลยเห็นแจ้งซึ่งสังขารทั้งปวงตามทํานองแห่งอนิจจสัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนาตตาอนาตามอะไรนะตามแนวฉะฉักกระสูตรนั่นแล ปราระวโอแม้เราพึงปราศจากเพศครหัตเหมือนต้นทองหลางสลัดใบฉะนั้นพระองค์ก็บรรทมภาะปราดเบื้องขวาตะแคงขวาบนพื้นที่บรรทมนั่นแลนอนก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณโดยลำดับก็แปลว่าเห็นอะไรเห็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเรียบร้อยในกาลนั้นพระองค์ก็เสด็จจากพระราชธิญาณ อมมาตก็กราะทูลว่าข้าแต่มหาราชได้เวลาเสด็จกลับแล้วพระเจ้าข่ารองก็บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพระราชาเนี่ยนะมาด้วยกันดีๆนะบรรลุไปแล้วเนี่ยนะงงเลยอะ่ะรรลุไปยังไงมก็เลยถามว่าบรรลุยังไงพระองค์ก็บอกว่านักปราบละเหตุอันเป็นเครื่องปรากฏแห่งครือขัดดุดต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นตัดเครื่องผูกแห่งเครือขัดได้แล้วเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดปรนั้น ก็ตัดเครื่องผูกแห่งครือหัดมีอะไรบ้างเครื่องผูกแห่งครือหัดเช่นผมหนวดผ้าขาวเครื่องประดับระเบียบของหอมเครื่องรูปไล่สตรีบุตรทาสีธาตุกรรมกรเหล่าเป็นต้นเหล่านั้นก็แสดงความเป็นเครือหันให้ปรากฏเรียกว่าเครื่องหมายแห่งเครือหัดนะนะก็สลัดเครื่องกระเครื่องปรากฏเครื่องผูกแห่งครือหัดตัดด้วยอะไรเชิตะวานะด้วยอะเรมาขยานเนี่ยนะ ไม่ใช่ตัดธรรมดานะไม่ใช่โอ้ตัดแต่กายแต่ใจยังชุ่มอยู่นั่นไม่ใช่แต่ว่าตัดด้วยอริยมรรคยานนะทีโรก็คือผู้ประกอบด้วยมรรคควิริยะเนีย่ยนะเพียรด้วยมรรควิริยะตัดเครื่องผูกคือกามเพราะกามทั้งหลายเป็นเครื่องผูกของเครือขัดทั้งหลายอธิบายว่าพระราชาคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอแม้เราละเหตุเป็นเครื่องปรากฏแห่งเครือขัดแล้วเพึงเป็นเหมือนต้นทองหลาง มีใบร่วงหล่นฉะนั้นปรารภวิปัสนาพิจารณาสังขารบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะง่ายจริงๆเลยนะอีกคาถาหนึ่งดีมากคาถาต่อไปนี่ขึ้นวักใหม่แล้วนะในค่าววิสาณสูตรนี่มี วักและส0สูตระนะก็มีหลายวักด้วยกันคือมีทั้งหมดอยู่41เรื่องมี41เรื่องนี้ก็มาขึ้นเรื่องที่11เนี่ยนะคานะถาที่11คือคาถาละเรื่องคาถาละเรื่อง8ได้ยินว่าในอดีตการพระประเจกโพที่สัตว์สององค์บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะบำเพ็ญขะตะปัจจาคขะต ะ, ข ะ, ตะวัดตลอดสอง0 0ปีโอ้ยสปีของเราจะได้ัก สเอาศูนย์ออกสักสองตัวนะสามตัวก็ยังดีคือหมายคขาว่ากรรมฐานอย่างเดียวนะห้ามอากุศลแทรกมาน ก, ก็ประพฤติอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็เคลื่อนจากเทวโลกคนพี่คื อ, ค, อคือหมายคขาว่าใครบวชก่อนเรียกว่าพี่ใครที่บวชหลังเรียกว่าน้องนะคนพี่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีคนน้องเป็นบุตรของปุโรหิต ทั้งสองนั้นถือปฏิสนธิในวันเดียวกันวันที่คลอดจากคันพระมารดาก็วันเดียวกันเป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะบุตรปุโรหิตเป็นคนมีปัญญาฉลาดมากเขาก็ได้ทูลพระราชบุตรว่าข้าแต่พระสหายพระองค์จักได้ราชสมบัติโดยล่วงไปแห่งพระบิดาข้าพระองค์จักได้ตําแหน่งปุโรหิต ถ้าองค์ได้รับการศึกษาดีแล้วควรเพื่อครอบครองราชสมบัติให้เป็นสุขมาเถิดพวกเราจะเรียนศิลปะ ด, ด้วยกันก็คือคนที่จะทํางานบริหารเนี่ยนะโดยเฉพาะบริหารราชการแผ่นดินได้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วก็ครอบครองราชสมบัติอยู่อย่างสบายไปศึกษาเล่าเรียนกันเถอะจากนั้นท่านทั้งสองก็เป็นผู้มีกรรมอันได้สั่งสมแล้วในชาติก่อนก็เที่ยวพิกขา เที่ยวพิกษศาสบินทบาทหนาะอาหารในบ้านและนิคมเป็นต้นไปสู่ชนบทชายแดนเนี่ยนะก็จากบ้านจากเมืองเที่ยวจากไปเรื่อยขออาหารเขาทานไปก็พระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นในเวลาพิกขาจารย์ตามลําดับมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความอุตสาหาปูอาสนะน้อมขานชนิยะโภชินิยารอันประณีต เข้าไปถวายนับถือบูชาสหายทั้งสอง <c oughs> สหายทั้งสองนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าอ่าขอไปคือสหายทั้งสองก็เที่ยวบินทบาติพระประเจกกับพุทธเจ้าก็มาบินทบาติแต่มนุษย์ทั้งหลายคือชาวบ้านเนี่ยจัดที่นั่งอย่างดีน้อมอาหารอย่างดีไปถวายพระประเจกกับพุทธเจ้าสองคนเนี่ยที่เป็นลูกกษัตริย์กับลูกพรามก็เลยคิดว่า มนุษย์มีตระกูลสูงเช่นเราเนี่ยนะในที่เนี้ยไม่มีใครมีตระกูลสูงเช่นเราเออก็มนุษย์เหล่านี้เนี่ยถ้าปรานะก็เพึงให้ภริกษาแกเราถ้าไม่ปรานะก็ไม่ให้แต่ย่อมทําัการะเห็นปานนี้แกบันประชิตเหล่านั้นขนาดเรานี่ตระกูลสูงนะพวกชาวบ้านเขาอยากให้เขาก็ให้เขาไม่อยากให้ก็ไม่ให้ทีพระประเจกับพระเจ้ามาบินทบาทโอ้ยทอะไรทากันขนาดนี้ บรรปชิตเหล่านี้คงรู้ศิละปะบางอย่างแน่นอนแสดงว่าจะต้องรู้อะไรพิเศษนะนะชาวบ้านจึงนับถือกันเหลือเกินเอาเถอะเราจะเรียนศิละปะในสำนักของบรรปชิตเหล่านั้นนะเออเนี่ยแสดงว่าต้องมีดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปเรียนกับท่านดีกว่าสหายทั้งสองนั้นครั้นมนุษย์ทั้งหลายกลับแล้วก็ได้โอกาสก็เลยไปอ้อนวอนพระประเจกว่าท่านข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายย่อมรู้ศิละปะใดโปรดให้พวกกระผมศึกษาศิลปะนั้นด้วย แสดงว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่มาดักรอสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วนะมาดักโปรดแล้วนะคนมีบุญก็มีผู้ที่มาดักคอยจะช่วยนะถ้าคนมีบาป ก, ก็คอยไปวางแผนดักฆ่าใช่ไหมนี่นี่ก็ฝ่ายดีก็เวลาบุญบุญอุปธรรมค้ำจุนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีคนคอยดักคอยเที่ยช่วยหลือเกื้อกูล น, นะนะพันก็เลยขอไปขอเรียนศิลปะเพื่อรู้วิชาดีๆที่ทําให้คนนับถือพระประเจ ก, ก็บอกว่าเราให้ผู้ยังไม่ได้บวช ที่คนที่ยังไม่บวชนี่ไม่ให้ศึกษาได้หรอกทำไงดีถ้าอยากเรียนต้องบวชสองสหายเลยก็เลยขอบวชเรียนเหมืนกพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอภิสมาจาริกวัตรแก่บรรพชิตทั้งสองเป็นต้นนะนะสอนมารยาททั้งหลายเช่นนุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้แล้วก็มอบบรรณาสาราให้กุฏิคนละหลังให้กุฏิคนละหลังคนละหลังกันเลยนะสองหลังมอนนน แล้วก็บอกว่าความยินดีอย่างยิ่งในความเป็นผู้เดียวเป็นความสำเร็จแห่งศิลปะนี้เพราะฉะนั้นพึงนั่งคนเดียวเท่านั้นจงกรมคนเดียวยืนคนเดียวนอนคนเดียวถ้าใครอยู่อย่างเดียวแล้วมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้นั่นแหละถูกต้องนะนาสอนอะไรกันเนี่ยเาสอนอริยศาสตรอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขได้นั่นแหละถูกต้องเลย นี้บุตรปุโรหิตก็ได้ความตั้งมั่นแห่งจิตตั้งแต่เวลานั่งก็เจริญฌานทําชาญได้มีใครบอกวิธีเลยนะเขาบอกให้อยู่คนเดียวแล้วมีทําให้เกิดความสุขได้นั่นแหละถูกต้องท่านก็เลยทําชาญได้ในส่วนราชบทเนี่ยนะกระสัอยากศึกอย่างเดียวไหมมันอยากเที่ยวอะ่ะก็เลยมาหาสํานักบุตรปุโรหิตมาหาเพื่อน บุตรปุโรหิตเห็นราชบุตรก็ถามว่าอะไรเพื่อนบอกผมก็สันแปลว่าผมเบื่อหลือเกิอนอ่ะนะเบื่อที่จะต้องอยู่คนเดียวผมอยากเที่ยวอ่ะอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นก็นั่งก็บอกให้นั่งราชบุตรก็นั่งได้ชั่วครู่ก็กล่าวว่าสหายได้ยินว่าไอ้ความยินดียิ่งในความเป็นผู้อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นความสําเร็จแห่งศิละปะนี้บุตรปุโรหิตก็บอกใช่อย่างนั้นอ่ะเพื่อนถ้าเช่นนั้นท่านจงไปสู่โอกาสที่ตนนั่งเล่ เราจะเรียนความสําเร็จแห่งศิละปะนี้ราชบุตรนั้นก็กลับไปนะก็กลับพอตอนแรกบอกว่าออาศาสนานี่นะใครที่อยู่คนเดียวอยู่มีความสุขได้นั่นแหละถูกต้องเออนี่เรามาคลุกเคลียกันแล้วนะท่านกลับไปเถอะราชบุตรก็ไปไปนั่งอีกพักหนึ่งก็าปุ้ยเบื่อแล้วกลับมาหาเพื่อนเออก็คุยกันไปนั่งสักพักหนึ่งกลับไปคนเดียวอกีกสามครั้งผ่านไปบุตรปุโรหิตก็ส่งกลับราชบุตรนั้นก็คิดว่า ราชบุตรนี้ประกาศกรรมของตนและของเรามาที่นี่เนืองๆท่านก็เลยออกจากบรรณาสาลาเข้าสูปา่ป่าจริงเขาก็แปลผิดนะจริงๆต้องแบบบุตรปโรหิตบุตรปโรหิตเขก็อเออราชบุตรเนี่นะมาซะเสียหายงานเราหมดเลยไม่ยอมเจริญสมถวิปัสนาคนเดียวนี่มาชวนแต่เราคุยเนี่ยนะ mm hmm. เบื่อนี้ดีกว่าก็าเลยนี้ะะนะหนี้ไปอยู่ปา่าไอ้ฝ่ายราชบุตรราชบุตรนะก็นั่งในบรรณาสาลาจริงๆราชบุตรก็คือเจ้าชายอะ่ะ ออกจากบรรณาศาลาของพอไปอยู่บรรณส า, นน า, สาลาของตอนอีกครู่หนึ่งก็เลยกลับมาสู่บรรณาศาลาบุตรของปุโรหิตดูทางนุ้นดูทางนี้ก็ไม่พบบุตรปุโรหิตก็เลยคิดว่าพวกนี้นะเวลาเป็นเครือขันนำบรรณาการมาก็ไม่ได้เพื่อจะเห็นเราพวกนี้นะเมื่อก่อนนะสมัยยังไม่บวชเป็นคารวาสเป็นเราเป็นเจ้าชายนะขนาดหิ้วเครื่องศักการะเครื่องบรรณาการมาอย่างดีเราก็ไม่ให้พบ ผู้เช่นนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ไม่ประสงค์จะให้เราเห็นโอ้ก็หลีกไปเนี่ยเขาหนีเขาไม่อยากเห็นเราเลยขนาดเรามาหาเขาถึงที่อยู่นะเนี่ยเขายังไม่สนใจเราโอ้ยแน่จิตเอ้ยเจ้านี่ช่างไม่ละอายเจ้านําเรามาในที่นี้ถึงสครั้งนะเอาไปเอามาเนี่ยทาที่ท่านมีปัญญาท่านก็โทษจิตนะไอ้จิตเจ้ากรรมเอ้ยไม่อยาไม่อายไม่อายไม่อะไรบ้างเลยนะเจ้านี่ไม่ขี้อายเลยมาสี่ครั้งแล้วนี่ บัดนี้จเราจักไม่เป็นไปในอำนาจของเจ้าแปลว่า well, เราไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วไอ้จิตเอ๋ยจิตจากนั้นเจ้าเท่านั้นแหละจะต้องเป็นไปในอำนาจของเราฟังเราให้ดีนะต่อไปจิตเหมือนกันอย่างนี้ก็กลับปุถุกุติตัวเองดีกว่าปารพวิปัสสนาก็ทําปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งเสร็จแล้วก็เหาะไปสู่เงื้อมเขานันทมูลกับฝ่ายบุตรโปรหิตจากบรรณาลาเข้าป่าปารพวิปัสสนาก็ทําให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณ อย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยก็บรรุกันทั้งคู่พระปเจกพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้นั่งบนพื้นมโนศิลาแต่ละรูปก็กล่าวคาถาคนละรูปรูปที่หนึ่งกล่าวว่าถ้าบุคคลได้สหายมีปัญญาเครื่องรักษาตนผู้เที่ยวไปร่วมกันได้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักตราสไซพึงครอบงำอันตรายทั้งปวงพึงเป็นผู้มีใจชื่นชม มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าได้เพื่อนดีขนาดนี้นะโอ้ยครอบงำอันตรายให้มีใจยินดีกับเพื่อนไปให้กับเพื่อนไปถ้าหากว่าแปลว่าถ้าไม่ได้ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญาดีผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนะนนที่จะเที่ยวร่วมไปอย่างนั้นกับกันได้คือไม่มีเพื่อนดีแบบอย่างที่ว่าได้เพิ่งเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์ ถ้าไม่ได้พวกแบบนั้นนะพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดพระราชาทรงละเว่นแคว้นอันพระองค์ทรงชนะแล้วเสด็จไปแต่เพียงผู้เดียวดุดพญาช้างเชื่อว่ามาตังคะละโคล ง, งเที่ยวไปอยู่ในป่าแต่ตัวเดียวฉะนั้น น, นะนะว่าถ้าได้เพื่อได้พวกดีได้เพื่อนดีก็เที่ยวไปกับเพื่อนเธอเน่นะเขาบอกว่าเพื่อนเป็นยังไง นิปปรกังก็คือบัณฑิตผู้รอบคอบโดยปกติคือฉลาดในกสินบริกรรมเป็นต้นสาทุวิหาริงก็คือผู้ประกอบด้วยอัปปนาวิหารและอุปจาราวิหารอยู่ด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะทีรังก็คือผู้ถึงพร้อมด้วยถิติคือปัญญาเป็นเครื่องทรงจาทิฏฐิถึงพร้อมด้วยถิติด้วยอัตถาว่านิปปกะก็คือหมายถึงปัญญานั่นแหละ ความไม่ความบากบั่นไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยชื่อว่าทิตินั้นเป็นชื่อของความเพียรหมายคราว่าเพียรด้วยสละไม่อะไรนะร่างกายนี้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่บรรลุ ก, ก็ไม่เลิอกอีกอย่างหนึ่งทีระหมายถึงผู้มีบาปอร่อยแล้ว ในคาถาอธิบายในที่ภาษาริบุตรอธิบายว่าถ้าได้ถ้าพึงได้สหายผู้มีปัญญาผู้เที่ยวไปด้วยกันมีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราดครอบงำอันตรายทั้งปวงพึงปลื้มใจให้ดีใจมีมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นอธิบายว่าถ้าพึงได้สหายผู้มีปัญญาคือถ้าประสบประสบพบ ซึ่งสหายผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสอันนี้หมายความว่าถ้าได้เพื่อนผู้มีปัญญาเพึงเที่ยวไปด้วยกันเหมือนนคือไปร่วมกันคำว่ามีปกติอยู่ด้วยกรรมดีก็คืออยู่ด้วยกรรมดีแม้ด้วยปฐมฌาน ท, ท, าานตทาานุติยฌานรรตติยฌานจตุตฌานกรรมดีด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากรรมดีด้วย แกลง่ายๆว่ากรรมดีด้วยรูปประชานด้วยพรหมวิหารและด้วยอรูปประชาน น, นะนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชญ์มีปัญญาทรงจําเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสแต่ว่าถ้าได้เพื่อนดีขนาดนี้ก็เที่ยวไปกับเพื่อนเธอครอบงําอันตรายทั้งอันตรายปกปิดและอันตรายเปิดเผยให้ปลื้มใจพึ่งมีสติไปกับสหายอธิบายว่า พระปเจกพรพุทธเจ้านั้นเพึงเป็นผู้ปลื้มใจมีใจยินดีมีใจร่าเริงมีใจชื่นชมมีใจปีติกล้ามีใจเบิกบานเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิรยาบดรักษาบำรุงเยียวยาไปกับสหายผู้มีปัญญาคือสหายที่เป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีปัญญามีญาณมีปัญญาเจมแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเรียกว่า ถ้าได้สหายอย่างนี้ก็ให้ดีใจไปกับสหายเหล่านี้เธอคำว่ามีสติเนี่ยนะก็คือพระประเจกับพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติแก่กล้าอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกตามระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เรียกว่าเป็นผู้ปลื้มใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นนะถ้าได้เพื่อนอย่างนี้ก็ไปเธอว่าน้นถ้าไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาดี ผู้เที่ยวไปด้วยการมีปกติอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราดถ้าไม่ได้อย่างที่กล่าวเลยนะหาคนที่มีคุณสมบัติอย่างว่าไม่ได้พึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกเหมือนพระราชาทีลา่ละแว่นแขวนที่พระองค์ชนะแล้วเสด็จเที่ยวไปแต่พระองค์เดียวฉะนั้นเ mm hmm. ขาบอกว่า พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงชนะสงครามกำจัดข้าศึกแล้วได้ความเป็นใหญ่มีคลังบริบูรณ์ทรงละแล้วซึ่งแว่นแคว้นชนบทคลังเงินทองเป็นอันมากและนครปลงเกศาปลงพระมสุทรงผ้ากาสายะสเสด็จผนวดเป็นบนรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเสด็จเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยา ไปผู้เดียวฉันใดแม้พระประเจกสมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นตัดความกังวลในคาวาทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรและพรยาตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในมิตรและพวกพ้องแล้วปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเที่ยวไปเดินไปพากผ่อนเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยา ก็เลยเรียกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนพระราชาที่ละเว่นแขวนที่พระองค์ชนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อดัชนั้นก็เลยบรรลุเลยนะเอ๊เดินไปเที่ยวไปเที่ยวหาเพื่อนนะนะ <S <S เขาไม่อยู่คุยด้วยว่าฉันบรรลุเลยโอ้เก่งจริงนะครอบงำอันตรายได้ไมหมฮะเขาอยากไปคุยกับเขาก็ เ, า เ, าเลิกคุยด้วยเลยบรรลุเลยเนะเก่งจริงๆเลย